สาค้รอ ง, งกับเป็นาครั้งเดือน6จะพาเปทำคานรอพระพุทรูรวมสี่องค์หน้านตักกว้าง80บเซนติเมตรคุณหญิงวาดเลขาวณิิธรรมวิทักเป็นเจ้าภาพสององค์องค์หนึ่งรอถวายท่านพอ่ออีกองค์หนึ่งเพื่อตัวคุณหญิงวาดเองพยาเลขาวณิธธรรมวิทักเป็นเจ้าภาพหนึ่งองค์พันํารตโธลว ว, วิระเดชคาแหงแมคุณนาย น, น้อย วีระเดชกำแพงเป็นเฉภาพหนึ่งองคราคาองหละัก6าสิบบาทในกวงค้ังแซ่เยียรรองทั้งบุตรภรยาโลถวะอีกหนึงองได้ทำการรองทั้งแต่งานมาคาบุชานำมาสมทบในงานนี้ด้วยราคา3 4 0 0 0บาทรวมทั้งค่าฉลองเสร็จพระพุทธรูปเหล่านี้ทางวัดไม่ต้องใช้เงินกะภาพใ่ายเองคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 61,16 บบาท ได้ทําการสมโพธิจนสําเร็จฟายมาขอรศบไม่ค่อยมีคนสนใจดูรับตั้งใจมาทําศาสนาพิธีมากกว่าคณะศิษย์ชาวจีนนํานิ้วหนึ่งโรงมาช่วยสามคืนคุณวารีใชยกุลอําเภอหัดใหญ่นําละครมโนราและนางตรุงอย่างละหนึ่งชุดมาช่วยอยู่จนตลอดางานมีหมอรำอีสานหนึ่งชุดแอวอยู่หนึ่งคืนก็ต้องเลิกมีพับโยมมาช่วยอีกสองจอกิจการเหล่านี้ ไม่ต้องถ่ายเงินเพราะคณะสิทธิ์นำมาช่วยได้ทําการฉลองอยู่เช่นนี้ในวิธีการสวดมนต์สมโภชเวียนเทียนส่วนปุถุตภิกษุนั่งสมาธิมีการแสดงธรรมะได้นิมนต์พระเถระท่นผู้ใหญ่มาช่วยแสดงธรรมะอาทิตสมเด็จพระมหาเอวุฒิวัดมะกรูดไประเทศโกรดหนึ่งกันตาะศาสนักสุขผลประเทศหนึ่งกันนอกนั้นก็แสดงธรรมเป็นครั้งเป็นคราวเจ้าของแสดงเองบาง พรอาจารย์ตื้อแสดงบางแม้บำเพ็ญกิจวัตรอย่างนี้จนถึงวันที่29พสิาาคม 2,500 สรุปแล้วงานครั้งนี้มีสถิติรายรับรายจ่ายทั้งหมดดังตอ่อไปนี้ยอดรายรับถึงวันที่29ภสาพฤษภาคมจำนวน 8,4340 บาท4ีสสตางค์ยอดจ่ายถึงวันที่29่สาพฤษภาคมจำนวนานวน4า3 30, 3้อบาท เจ็ดสิบหาสตงับแล้วคงเหลือเงินสามแสนเพันสบาาทเจ็สิบี่ตางเงินทั้งหมดนี้เป็นเงินที่พุทธบริษัทได้บริจาคด้วยจิตใจศรัทธานอกากนั้นเป็นเงินแห้งเช่นโบสถ์หน้าเจ้าภาพจัดกันเองกองขางไม่รับเงินจำนวนนี้เพื่อสังคายนาเลี้ยงพักสดมุนสร้างพระพุทธรูปสร้างศ า, าลาลงพิธีซ่นอมถนนขวัด ส่วนกงเต็กเหล่านี้เป็นประเภทเงินแห้งรวมแล้วจับยาเป็นเงินประมาณ 3,000 แสนเศษเมื่อเสร็จงานแล้วเหลือเงินสดอยู่ในบัญชีเป็นจำนวนเงิน3 7มแสนเจันบสาบาทเจ็ดสตาางพันตำรวจโทรรวงวิรเดชกำแหงได้ปากไว้ในธนาคารตามคำสั่งของท่านพอ่อเงินจำนวนนี้ได้ใช้จ่ายสมทบทุนบำรุงวัดรศรีรัตนศ า, ส, าสดาราม สามหมื่บาทและก่สร้างเพิ่มเติมภายในวัดอาทิเช่นซื้อเครือกําเนิดไฟฟ้าพร้อมทั้งเสาและสายไฟสร้างโรงทัวทาวนสร้างพระอุโบสถสํารองชั่วขาวรายละเอียดรายจ่ายเหล่านี้อยู่กับพันตารวจโทหลวงวิรเดชท่านพ่อได้ตรวจสอแล้วทรงหลักฐานการจ่ายให้พันตารวจโทหลวงวิรเดชเก็บตักงสารไว้ไม่เหลือนอกจากนี้ ได้มอเป็นคณะกรรมการก่อสร้างพระโบสถในพัชดีเพื่อดําเนินการก่อสร้างต่อไปพระโบสถนั้นได้เริ่มลงมือก่อสร้างตั้งแต่วันที่18มกราคม2562ตามแบบแผนของกรมศิลปากรในพิธีฉลองครั้งนี้มีคณะสงฆ์ผุนธ์บริษัทมาร่วมอันโมทนาตลอดจนพระเถรลักอุ์พรบาศกพระศิกาถึง45จังหวัดนอกจากนั้นก็เป็นอันสําเร็จการ การจัดงานฉลองสมโพธิ25พุทธศตวรรษในปีพศ2010ต่อมาเวลาจวนคำนิสาได้มีเจ้าภาพคนหนึ่งชื่อน า, นายธนบูลกีมานนท์พร้อมด้วยภริยาระบุตรสร้างครบรูปถวายในปีพศ2010นี้อีกหนึ่งองค์ที่ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน 75,000 บาทนึนตักสี่ซอกสี่นิว้วทําการฉลองและสร้างแทนอีกรวมสิ้นเงินทั้งหมด หนึ่งบาทเสร็ระหว่างอยู่จำซายังคงมีพระเนนอุบาสิกาซึ่งได้บวชเมื่องานฉลองสมโพธิยีพุทธศตรวรรษและยังคงบวชอยู่ร่วมกันปเป็นกุศลต่อมาในปัสสาวอีกเปน็นจำนวนมากเมื่อออกมาซาแล้วต่างคนต่างกลับไปยิ่ยามบ้านของตน้นยังคงเหลืออยู่จนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีส่วนตัวเราได้ออกไปเยี่ยมความทุกข์สุขของคณะศิษย์ ที่ได้มาร่วมงานสมโภชครั้งนี้หลายแห่งเมื่ปอปีก่อศ2499นี้ได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัติชั้นทีในานามวาพระครูสุดที่ธรรมาจารย์เมื่อวันที่5เดือนธันวาคม2499ซึ่งตนของตอนไม่เคยคิดนึกและไม่รู้ตัวดักนั้นเมื่ออมนตรแล้วก็ได้ขึ้นไปเยี่ยมจังหวัด อยากไสร้างกจะดีสักดหนงองค์ที่ทำพอสบายเมื่อได้ไปถึงจังหวัดลำางก็ได้ทราบว่าได้มีต้นโพเกิดขึ้นแล้วสามตนที่น่าทำพอสบายตั้งแต่ปีพศ2499บัดนี้ต้โตสูงแล้วก็รู้สึกดีใจมากในที่สุดก็ได้สร้างก็จะดีไวองค์หนึ่งและบรรจุพระบรมธาตุไว้ที่ทำนั้นมีเจ้าแม่สุกน้ำลำปางคุณนายกิ ม, เ, ก เ, มเรียนกิ่งเทียนแม่เลี้ยงเตา กรธรรมวิโรธและคณะอุบาสกอุบาสิกาได้ช่วยร่วมมือกันเป็นผู้อุปการะพร้อมขนาสิทธิทางปรากและครวาตช่วยกันจนสําเร็จสมสความปรารถนาได้นํำต้นโพอินเดียหนึ่งต้นไปปลูกไว้ที่ทด้วยนอกจากนั้นได้เดินทางไปเชียงใหม่อุ ร, รอีรัมย์พิษณุโรกนครสวรรค์ลบบุรีเที่ยวจัดเล็กสัญจรไปในระหว่างเวลาออกพรรษาทุกปีการทำจะหนีก็เพระ จะเห็นว่าการที่จะอยู่ปัะจำวัดเฉยๆก็บเรียบเงินรถไฟที่จอดนิ่งอยู่ที่สฐานีนหัลวลำโพงประโยชน์ของรถไฟที่จอดนิ่งอยู่กับที่มีอะไรบ้างทุกคนคงตอบได้ฉะนั้นตัวเรเองจะมานั่งอยู่ที่เดี่ยวนั้นเป็นไปไม่ได้จําเป็นจะต้องออกสัญจร อ, อยู่อย่างนี้ตลอดชาติในภาวะที่ยังโหมดอยู่การประพฤติหนีบางครั้งมูฆณะก็ต้อหนีโทษ บางคราวก็ได้รับคําชมเชยแต่ตนเองเห็นว่าได้ผลทนั้นเราะได้รู้จักภูมิประเทศเหตุการณ์ขนมธรรมเนียมประเพณีของศาสนาในที่ต่งตางๆบางอย่างบางชนิดเราอาจโง่กว่าเขาบางอย่างบางบุคณะบางสถานที่เขาอาจดีกว่าเราฉะนั้นการสัญจรไปจึงไม่ขัดทนนั่งอยู่ในนิ่งในตาก็ได้ประโยชน์ถ้าทิศไหนเขาโง่กว่าเราเราก็เป็นอาจารย์ให้เขา มูในฉลาดกเราเราก็ยอมตนเป็นสิทธิเขานั้นการสัญจรไปมาจึงไม่เสีประโยชน์อีกจระการหนึ่งที่เราชอบประโยชน์ตามป่าตามตรงนั้นไม่เกิดความคิดหลายอย่างคือ 1. นงเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ประสูตสิในป่าตร ะ, ะรู้ในป่าดักขันธรรินิพพานในป่าแต่ทําไมพระองค์จึงสามารถทำความดีไปฝังไว้กลางพระมหาคนครได้เช่น ได้เป็นทรงขยายกิจการาศาสนาให้แก่พระชจาพิมพิสารราชาแห่งกรุงราชพฤก์กเป็นตน้นทรงพิจารณาเห็นว่าการหลบรีฟัการสู้เราะเรายังไม่ได้เป็นผู้พิเศษดาบใด่ถ้าเราได้เป็นผู้มีทน้งเหนียวสามารถทาทานต่อลูกปืนหอกดาบได้แล้วเราจึงควรอยู่ในที่ชนุ่มชนฉะนั้นจึงคิดว่าหลบรีฟะสู้คนที่รู้จักลบเขาบอกว่า จักรีกเป็นหางแปลความหมายว่าลูกไก่ออกมาจากไข่ตัวเล็กถ้ามันเข้าใจหลบมันก็ไม่ตายมีโอกาสได้เติบโตออกปีกออกคนสามารถช่วยตนเองในการข้างหน้าได้รู้จักรีกเป็นหางเช่นหางเสือเรือที่วิ่งในน้ําถ้าคนถื่นทายรู้จักงัดหรือกดก็สามารถนําเรือนั้นวิ่งหลบการเคยตอและหาดได้อย่างดีเรือจะหลบได้ต้องอาศัยหางเสือ ต้นของตอนเองเมื่อคิดได้ช น, นีจึงมีนิสัยชอบอยู่ป่า 3. มมานึกถึงหลักธรรมชาติก็เป็นสถานที่ที่สงดสงบและสังเกตเหตุการณ์ในภาวะของปูยิประเทศเช่นสัตว์ป่าบางเราเวลานอนนอนผิดกับสัตว์ในบ้านมันก็เป็นข้อเตือนใจได้ตัวอย่างเช่นไก่ป่าหูตาว่องไวหางกระดกบีแทงคันสัน้นวิ่งเร็วบินไกลลักษณะเหล่านี้กิจากไหน ได้นำมาเตือนใจแล้วเกิดความคิดว่าไก่บ้านไก่ปลาเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกันแต่ไก่บ้านปีกอ่อนขันยาวข้างตกนุม่มงามมีจิริยามารยาท่างกันก็นกึกขึ้นได้ว่าเกิดจากความไม่ประมาทเพราะสถานที่นั้นมีภัยอันตรายรบกวนจะไปทําตนเือนไก่บ้านก็ต้องเสด็จงูเห่าและทังพรนั้นเวลาจะกินจะนอนลืมตาหลับตามารยาทของไก่ปลาต้องเข้มแข็งจึงจะปลอดภัยอยู่ได้ ตัวเราชั้นใดก็ฉันนั้นถ้าคืนแช่อยู่ในโมณะก็เหมือนมีดเหมือนจอบพักจมอยู่ในพื้นดินทำให้สึกกรอได้ง่ายถ้าถูกหินถูกตะไบขัโถูอยู่เป็นนิสสนิมก็ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ใจของเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาณฉะนั้นจึงชอบอยู่ในพาสมือมาเป็นการได้ประโยชน์ได้สติเตือนใจลา ย, กา ย, ยักสี่มาดึกถึงคาสอนของครพรเจ้ทาทรงสอนในครั้งแรก ซึ่งเป็นประเพณีของสมณะเป็นคําสอนที่ชวในให้คิดอยู่มากคือครั้งแรกพระองค์ทรงสอนธรรมะโกรพระวินัยเช่นเนลวลาอุปสมบทได้สอนพระบุคคลพระธรรมคุณพระสังคคุณแล้วก็สอนกรรมฐานทั้งห้ามีเกษาโลมานาคาธัานตาปะโจเป็นตน้นหลังจากนั้นก็ได้ให้อวาดแก่ผู้บประชาอุปสมบทมีใจความอยู่สี่อย่างคือ 1. ให้ถือการเชื่ยวบิณฑบาตเป็นวัด แสดงตนเป็นผู้ขอแต่พระองค์ไม่ให้แสดงตนเป็นคนยากจนเช่นเขาให้เท่าไรก็ยินดีเท่านั้น 2. พระองค์ทรงสอนให้ไปอยู่ในที่สงัดที่เรียกว่าลุกขมู ล, ละาสนะมีบ้านร้างศูญย์ยาคารหิน ม, มิยังเนื้อผาครูหาธรรมสถานที่ต่างๆเหล่านี้มีปัญหาว่าพระองค์ทรงหินประโยชน์อะไรหรือจึงได้สอนเช่นนั้น แต่ตัวเองก็นึกเชื่ออยู่ในใจว่าถ้าเรื่องเหล่านี้ไม่มีประโยชน์พระองค์คงไม่สอนถึงขนั้นก็ยังมีความรู้สึกหลังเลใจอยู่จนเป็นเหตุให้สนใจในเรื่องนี้ 3. ามพระองค์สอนให้ถือผ้าบางสกุลเป็นเครื่องใช้สอยตลอดจนได้ถือเอาผ้าพันธุ์ผีตายมาใช้นุ่งห่มก็เป็นเหตุให้ตัวเองนึกถึงเรื่องตายว่าการนุ่งห่มผ้า พ, พันุผีตายมีประโยชน์อะไรบ้างของ้อนี้พอได้ความง่ายๆ คิดดูโดยดักธรรมดาก็จะเห็นได้ว่าของทายนั้นไม่มีใครต้องการอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือของทายเป็นของไม่มีพิษไม่มีโทษในขรอนี้พอจะน้อมนึกตึกทองถอยู่บ้างว่าพระองค์สอนไม่ให้เป็นผูต้ตนงตัวในปันจจัยลาภสพระองค์สอนให้บริโภคยารักษาโรคที่หาได้อย่างง่ายง่ายจนให้ฉันจ่าดอกด้วยน้ำมูดเอาคาสอนต่างๆของพระองค์ดังกล่าวมาข้งต้นนี้ เมื่อเราได้รับฟังเขาแล้วเป็นเหตุให้เกิดความสนใจแต่เมื่อสรุปแล้วได้รับผลหรือไม่ได้รับผลก็ตามแต่เรามีความเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งว่าพระองค์ไม่ใช่บุคคลที่งมงายเรื่องใดที่ไม่มีเหตุผลพระองค์คงไม่ทรงสัง่งสอนเป็นอันขาดฉะนั้นจึงได้มาระลึกแลกคิดว่าถ้าเราไม่เชื่อในคำสอนของพระองค์เราก็ควรยอมรับรับถือทำโอวาทหรือถ้าเราไม่เชื่อความสามารถของผู้สอนเราเราก็ควรทำตามไปก่อน โดยฐานะที่ทดลองรู้เพื่อเป็นการรักษาสังขปปิณีร ะ, ะเบียบแยบแผนของผู้ที่เราเคารพนับถือกล่าวไปเอาไว้ก่อนอีกประการหนึ่งแต่ดึกรถคำพูดของพระมหาคสปักซึ่งเป็นผู้ถือเพ่งคัดในตัดงเช่นคือการอยู่ป่าทนหารแต่มือเดียวถือภาพบางสุกุลเป็นวันท่านได้ขอปฏิบัติตัวของท่านอย่างนี้ตลอดชีพในเรื่องนี้พระองค์ได้ทรงสักถามพระมหาคสปักว่า ท่านเป็นผู้สิ้นอสนวัตแล้วท่านขวนขวายเพื่อเหตุอะไรพระมหากษัตริตอบว่าข้าพระองค์มุ่งประโยชน์ของกุบุตรผู้จะเกิดตามมาสุดท้ายภายหลังไม่ได้มุ่งประโยชน์ส่วนตัวเมื่อข้าพระองค์ไม่ทำจะเอาใครเป็นตัวอย่างเพราะการสอนคนนั้นถ้ามีตัวอย่างสอนได้ง่ายเปรียบเสมือนการสอนหนังสือข่าวทำแบบหรือรูปภาพประกอบการสอนเป็นเหตุให้ผู้เรียน เนได้สะดวกขึ้นอีกมากข้าพระองค์ประพฤตินนีชันใดก็ชั้นนั้นเมื่อได้ระลึกถึงคําพูดของพระมหากระสปักซึ่งได้ทูลต่อพระบระมศาสดาเจนนีก็สงสารพระมหากระสปักท่านอุตสาห์ตากทำทรมานทับเป็นทางโลกท่านก็เป็นถึงมหาเศรษฐีควรได้นอนที่นอนที่ดีๆกินอาหารที่ปานี้ตรงกันข้ามท่านกลังสู้อุตสาหะทนลําบากนอนกลางยินกินกลางยา แนะอาหารก็ไม่ปนิดเปรียบเทียบกับตัวเราเส ม, มอเพียงแค่นี้จะมหาแต่ความสุขใส่ตัวแค่อมิตก็บังเกิดความละอายใจสำหรับธรรมะกสปะเวลานั้นท่านจะบริโภคอาหารนั่งนอนในที่สวยงามเท่าไรก็ตามย่อมไม่มีปัญหา ใ, ใดๆที่จะเป็นไปเพื่ออสวกิเลสแล้วแต่ว่าเป็นของไม่แปท่านกลับเป็นประโยชน์จะเกิดแก่บรรดาสาสิทธ เรื่องราวต่งางๆตอนนี้หรือวันแต่เป็นขอ้อสกิดใจเรามา น, นตั้งแต่เริ่มโวดในครั้งแรกเมื่อพูดถึงเรื่องการอยู่ปาก็เป็นของแปลกประหลาดเตือนใจเราอยู่มากเช่นบางคราวเป็นมองเห็นความตายอย่างใครชิดและได้รับคําเตือนใจหลายอย่างบางคราวก็เกิดจากคนในป่าบางคราวก็เห็นพฤติการของสัตว์ในป่าสมัยหนึ่งมีตาแก่ใจแก่สองคนผัวเมียพากันไปนตักน้ำมันยางในกลางลงใหญ่ พอเออจะพบมีใยตัวหนึ่งได้เกิดการต่อสู้กันขึ้นเมียนีขึ้นเป็หมายทันแล้วร้องะโกนบอกผัวว่ า, าถ้าสูม้มไม่ไหวให้ลงนอนง่ายนิ่งทําเหมือนคนตายอยากกระดูกกระดิกฝ่ายผัวก็ได้ยินเมียร้องบอกกังนั้นก็ได้สติแต่จึงแกล้งลง้มลงนอนแผ่ลงกลางพื้นดินและนอนนิ่งๆไม่ไหวตัวเมื่อมีใยดังนั้นก็ขึ้นคร่อมตัวตะแก่ไว้ปล่อยมือปล่อยตีน ไม่ถูกพบตาแกอีกเป็นแต่มองดูตาแก่ที่กําลังนอนงานอยู่นั้นตาแกก็ได้แต่นอนปริกรภัวานาได้คาเดียวว่าพุดโธพร้รอมทั้งนึกในใจว่าเราไม่ตายมีก็เดินคาเรื่งศรีรษะแก่แล้วใช้ปากดันตัวแก่ทางซ้ายทางขวาแกก็ทําเป็นนอนตัวอ่อนไผ่ออนมาไม่ยอมฟื้นมีแค่นั้นก็คิดว่าตาแคกคงตายแล้วมันจะหนีไปพอจากนั้นสักครู่หนึ่งด้ก็ลุกขึ้น กับเมีบาดแผที่แกได้รับคือหวัวกระบอกปอกเปื้อแต่ไม่ตายแกก็สรุปให้ฟังว่าสัตว์ป่าต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราเห็นว่าจะสู้ไม่ไหวต้องทําตัวเหมือนคนตายเมื่อเราได้ฟังแกเลาแล้วก็ได้ความรู้ขื้นอีกอย่างหนึ่งว่าคนตายไม่มีใครต้องการเราอยู่ในป่าก็ควรทําตนเหมือนคนตายฉะนั้นใครจะว่าดีหรือชั่วเป็นกันใดเราต้องนิ่ง สงบกายปาจัใจจึงจะรอดตายเป็นอุทาหรณ์เดินใจได้อีกอย่างหนึ่งในทางธรรมะว่าคนที่จะคนตายต้องทําตนเหมือนคนตายก็เป็นมรณะสติเดินใจที่เป็นอย่างดีอีกครั้งหนึ่งได้ไปพักอยู่ในดงใหญแห่งหนึ่งวันหนึ่งเวลาเช้า sáng ๆได้พาลูกศิษย์ออกไิในปาต พ, พอเดินผ่านดงไปได้ยินเสียงแม่ไก่ใใร้องกระตากกระตาก ฟังเสียงดูเป็นเสียงไก่แม่ลูกอ่อนเพราะเมื่อส่งเสียงเขาแล้วไม่ยอมบินจึงให้ลูกสิษย์บินไปดูแม่ไก่ตกใจก็บินข้ามต้นไม้สูงนี้ไปเห็นลูกไก่วิ่งอยู่หลายตัวมันพากันวินน่งหนีเข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในกองใบไม้ร่วงแล้วทุกตัวก็งเงียบไม่ยอมไหวตัวไม่ยอมกระดุกกระดิกแม้จะเอาไม้คุยเคี่ยดูก็ไม่ยอมกระดุกกระดิกเด็กลูกสิษย์ไปหายุดพักหนึ่ง ไม่ได้พบลูกไก่เลยแม้แต่ตัวเดียวแต่เราเลือกในใจว่ามันไม่ได้หนีไปไหนแต่มันทําตัวเหมือนไปไายร่วงในที่สุดลูกไก่ตัวนี้นิดจับไม่ได้สักตัวเดียวเรื่องนี้ก็เป็นเรื่อนเรื่องเก่สัญชาตญาณการป้องกันภัยของสัตว์ว่ามันมีวิธีการที่ฉลาดมันทําตัวของมันในสงบไม่มีเสียงในกรอบใบภมยร่วงจึงได้เกิดการ น, นึกเปรียบเทียบขึ้นในใจตนเองว่า เราอยู่ในป่าทําจิตให้สงบไม่ไหวตัวเช่นเดียวกับลูกไก่เราก็ต้องได้รับความปลอดภัยบนความตายแน่นอนก็เป็นกตาลัเตือนใจได้อีกเรื่องหนึ่งนอกจากนี้เมื่อ น, นึกถึงธรรมชาติอื่นๆเช่นต้นไม้ทั้ววันสัตว์ป่าแต่ละอย่างเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องปลุกใจได้เป็นอย่างดีเช่นทั้ววันบางชนิดพันต้นไม้ไม่มีระยะประทาวที่อื่น ต้องพัเหลียวไปทางทักษิณาวัตเสมอสังเกตเห็นชนีก็มาลึกถึงตัวหากเราจะทําจิตให้กล้าไปสู่ความดีอันยิ่งยวดเราต้องเอาอย่างทวันคือเดินทางทักษิณาวัตเพราะพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงว่ากายกรรมังวิญญากรรมังมนกกรรมังปับ ท, ทักษิณังฉะนั้นเราต้องทักษิณาวัตคือเบียดไปทางทักษิณเสมอนั่นคือเราต้องทําตนให้เหนือกิเลส ที่จะลุกลางใจมิฉะนั้นเราก็สู้ตะวันไม่ได้ต้นไม้บางชนิดมันแสดงความสงบให้เราเห็นด้วยตาที่เราเรียกกันว่าเต็นไม้นอนถึงเวลากลางคืนมันถูกใบถูกก้านเมื่อเราไปนอนอยู่ใต้ร่มหมา้ต้นนั้นจะมองเห็นดาวเดินอย่างถนัดในเวลากลางคืนแต่พถึงเวลากลางวันแพลงอิงกาง้านแผลใบมืดทึอบอย่างนี้ก็มีเรืองเหล่านี้กระุ้นเป็นกติดเติอนใจว่าขณะเรานั่งสมาธินับตาภาวนานั้น ให้หลับตาส่วนใจเราต้องให้สว่างไสวเหมือนต้นไม้ น, นในเวลากลางคืนซึ่งใบไม้ไมีปิดตาเราเมื่อระลึกและคิดได้อย่างนี้ก็ได้ เ, เห็นประโยชน์ของการอยู่ป่าจิตใจก็เกิดความอาวฮันธรรมะธมโมที่ได้เรียนมาหรือที่ยังไม่ได้เรียนรูก้ก็ได้ผุดมีขึ้นเพราะธรรมชาติเป็นผู้สอนจึงได้มา น, นึกถึงหลักวิทยาศาสตร์ของโลกทีทุกประเทน พากันทําเดทำเดชต่างๆนานาและทำได้อย่างสูงส่งน่ามหาัศจรรย์ล้วนแต่ไม่ปรากฏว่ามีตำราในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยมาตะโกนนักวิทยาศาสตร์พากันคิดได้จากหลักธรรมชาติซึ่งปรากฏมีอยู่ในโลกนี้ทั้งสินน้นเรามาวหรคิดถึงรรมะก็มีอยู่ตามธรรมชาติเหมือนวิทยาศาสตร์นั่นเองเมื่อคิดได้อย่างนี้ก็หมดห่วงในเรื่องการเรียน แล้มาเลิกถึง พ, ะพระพุทธเจ้าเนี่ยภาษาบกทลายหรือว่าแต่ได้เรียนสําเร็จจากหลักธรรมชาติทนั้นไม่ปรากฏว่าเคยมีตำํตำราามาแต่โกด้วยเหตุผลต่างๆแล้วได้กล่าวมาข้างต้นนี้ตัวเราจึงยอมโง่ทั้งแบบแนในตําราต้นไมยบางชนิดมันนอนกลางคืนแต่ตื่นกลางวันบางชนิดก็นอนกลางวันแต่ตื่นกลางคืนสัตว์ป่าก็เชเดียวกันนอกจากนั้นยัง ไ, ไดความรู้จากกิจารณ ซึ่งมันคายรถในตัวของมันออกบางชนิดก็เป็นประโยชน์แก่ร่างกายบางชนิดจะเป็นโทษแก่ร่างกายอธิเช่นบางขราวเราเป็นไข้เมื่อเข้าไปอยู่ใต้ต้ไม้บางชนิดอาการไข้ก็หายไปบางขราวเราสบายดีแต่พอเข้าไปอยู่ใต้ต้ไม้บางชนิดธาตุก็เกิดแตปรโนบางขราวเราหิวข้าวอยู่น้ำแต่พอเข้าไปอยู่ใต้ต้ไม้บางชนิดอาการหิวเหล่านั้นก็หายไปการได้ความรู้ต่างๆจาก คือสชาติชนีเป็นเหตุให้นึกถึงแพทย์แผนโบราณซึ่งนิยมสร้างรูปฤาษีไว้เป็นที่เคารพบูชาดูสีนั้นไม่เคยได้เรียนสำรับรายามาแต่ก่อนแต่นีความสามารถสอนแพทย์แผนโบราณให้รู้จักยารักษาโรคได้โดยวิธีการเรีนธรรมชาติโดยทางจิตเหมือนอย่างตัวเรานี้เองน้ำพื้นแผ่นดินหรืออากาศธาตุก็เทียอยู่กันฉะนั้นเมื่อสร้างเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ เราก็ไม่ค่อจะสนใจในเรื่องยารักษาโรคก็เห็นว่ามันมีอยู่ทั่วไปชนที่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้อันนั้นเป็นเรื่องของตัวเราเองนอกจากนั้นยังมีคุณความดีอย่างอื่นที่จะต้องบริหารตัวเองนั่นคืออํานาจแห่งจิตที่สามารถทําให้สงบระงับโกรธได้เท่าไหร่ก็ออยิ่งมีคุณภาพสูงขึ้นไปยิ่งกว่านี้อีกหลายสิบเท่าซึ่งเรียกว่าธรรมโอสถสรุแล้วคุณประโยชน์ที่ได้รับ เรื่องการอยู่ป่าที่สนัดเพื่อปฏิบัติทางกิตนี้เห็นจริงการเข้าสงสัยในคำสอนของพระอนาคตกได้เป็นข้อข้อด้วยเหตุนี้เราจึงย่อปฏิบัติตนเพื่อวิปัสสนาธรัมตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนื่องในการที่ได้ปฏิบัติทางกิตนี้ถ้าจะนํามาพาาัลนาก็มีอยู่มากมายแต่จะขอกล่าวแต่เพียงสันส้นๆเสมอเพียงเท่านี้ในบทนี้ จงได้เริ่มสร้างวัดอโศกรามเพื่อให้เป็นหลักแหล่งของคุณบุตรกุจิดาสืบต่อไปในระหว่างอยู่วัดอโศกรามเดือนธันวาคมปีพศ2 0 0ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระราช า, าคณะขึ้นโดยไม่รู้ตัวในนามพระชุติธรรมดังสีคำปีระเมธาจารย์จึงได้ตั้งใจอยู่จตุัชาในวัด น, นี้เรื่อยมาตั้งแต่ปีพศ2459 มาถึปีพศ2502ในภาษาปีพศ2502รู้สึกว่าอาการปร่วยมารบกวนเริ่มป่วยตั้งแต่กลางวันซามานึกถึงการเจร็บป่วยของตัวบางวันบางเวลาก็เกิดความท้อถอยในการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปบางวันก็รู้สึกว่าจิตใจขาดกระเด็นไปจากสิทธิ์มุ่งไปในลําพังตนคนเดียวมองเห็นที่วิเวกสงัดว่าเป็นบรตมสุขอย่างเลิศในทางธรรมะ บางวันบางเวลาอาการปวดทุเราบางวันก็ปวจะรอดเกินแต่พอทนได้มีอาการปวดเสียษในกระเพาะมีอาการจับไข้วันหนึ่งเป็นเวลาหลายหลายชั่วโมงฉะนั้นเมื่อออกมาสาแนวก็ได้มาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าขังแดดได้มารักษายอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าตั้งแต่วันที่สองพฤศจิกายนสองพายสอง จนถึงวัที่หเดือนเดียวกันก็กลับไปวัดเมื่อกลับไปวัดแล้วอาการอาภาษณ์จะกำเริบพอถึงวันอังคารที่10พฤศจิกายน2 5งพก็ได้กลับมาพั ง, งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระป็นาวาอีกครั้งหนึ่งอาการป่วยก็ค่อยทุเลาเบาบางยู่มาวันหนึ่งมานอนนิ่งนึกอยู่คนเดียวว่าเราเกิดมาก็าต้องการให้เป็นประโยชน์แก่ตนแก่คนอื่นแม้เราจะเกิดอยู่ในโลกก็มีการเจ็บป่วย ก็มุ่งทําประโยชน์ให้แก่โลกและพระศาสนาตลอดชาติทีนี้เราเจ็บป่วยเราก็อยากได้ประโยชน์นั่นเกิจากการเจ็บป่วยในส่วนตนในคนอื่นฉะนั้นจึงได้เขียนหนังสือขึ้นฉบับหนึ่งมีใจความดังต่อไปนี้คือที่โรงพิเศษโงปยาบาลบุกโรอาหารเรือเครื่องอาหารของท่านพ่อนั้นใครๆอย่าได้ห่วงอะไรทั้งโรงพยาบามีทุกอย่าง ว่าจะต้องการอะไรฉะนั้นถ้าใค ร, ใครหวังดีมีศรัทธาแล้วให้คิดค่ารถที่นําไปนั่นเสียคิดค่าอาหารที่พวกเราจ่ยายไปนั่นเสียเอาเงินจำนวนอนั้นต์ไปทําบุญในทางอื่นจะดีกว่าเช่นหลวงพ่อใชา้ ย, ยาของโรงพยาบาลไปเท่าไรหรือจากคันพอแล้วยังเป็นประโยชน์กับคนอื่นที่อนาถาต่อไปให้พากันคิดฉะนั้นจะดีกว่ากันมั้งและตึกที่คันพอพักด้วนั้นก็เป็นตึกพิเศษ ยังไม่ได้เปิดรับกนป่วยเลยนายแพทย์ก็ให้เกียรติท่านพ่อตำมีแม้ในมูลค่าบํารุงหนึ่งสตางค์ก็ไม่เคยพูดกันสักคำฉะนั้นผู้ดใดว่างดีแก่ท่านพ่อควรนําไปคิดดูก็แล้วกันในที่สุดนี้ท่านพ่อจะสร้างเรงไว้ไว้ที่ลึกสักหน่อยใครมีศรัทธาติดต่อท่านพ่อได้หรือผู้อำนวยการและผู้ช่วยอำนวยการที่ลงมาจะบาลุกโรทหารเรือหลายเหตุ โรงพยาบาลปุคโรทหารเรือได้รับอนุญาตจากกระทรวงพาคมให้เปลี่ยนชื่อใหม่เมื่อวันที่สิเอ็ดพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยเป็นโพยาบาลสมเด็จพระบินก้าวหลังจากท่านพอเข้ามาพักรักษาตัวหนึ่งวันทั้งๆ ท, ที่ทางโรงพยาบาลได้ขอเปลี่ยนชื่อนี้ไปเป็นเวลานานแล้วเมื่อได้กินหนังสือดังกล่าวได้นึกอยู่ในใจว่าอย่างน้อยคนได้บุญค่าปัจจัย ในการช่วยเหลือรัฐบาลครั้งนี้3 0ม0 0บาทจึงได้ออกประกาศแจ้งความดำรงแก็บรัญดาสานุสิทธิ์ทางคนต่างมีสตาบริจาครวมกันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาต่อามาเมื่อวักทีสิบหพฤศจิกายน2 0สงมีคนจังหวัดสมุทรการมาเลให้ฟังที่รัฐบาลมีใจความสองอย่างคือ 1. นึ่ได้ เ, เกิดมีรถจนชนกันมีคนตายอีกแนวโคงมรณะบางปิงสง บางคนก็ว่ามีพีคอยโลกจะได้เป็นปรากฏต่างๆ น, น, นานาเมื่อได้ทราบดังนี้จึงได้คิดตำ้งติทาบุญอุทิศกุศลให้คนตายด้วยอุปัติเหตุทางรถยนต์บนถนนสายนี้จึงได้ไปปรึกษาประัจังหวัดสรุปอาการและคณะสิทธิ์เขาตรงหกันว่าต้องทาบุญได้กำหนดการทําบุญขึ้นโดยเริ่มงานตั้งแต่วัน 18, ที่18ธันวาคม2 5 2 มีการส่วนบนเงย็นที่ปรมข้างถนนสกุมมิตใกลที่ทำงานของตอนการทางสมุทรปราการจัดการผาปาา่า50กอมีขนะสิทธิ์ไปร่วมอนุโมทนาคราวนี้ได้เงินสมทบทุนช่วยรงคปัจจาลจังหวัดสมุทรปราการทั้งสิ้น 12,600 บาททนุนวันที่19ธันวาคม2502ล ะ, ะ้ถวะอาหารพระ50รูาปาารูผ้าป่า5กอ เี่โคใหม่ดังนี้ 1. ที่เรียกว่าโค้งโพในเดิมนั้นให้ชื่อใหม่ว่าโค้งโพทิสต์สที่เรียกว่าโค้งมรณะในเดิมนั้นให้ชื่อใหม่ว่าโค้ปลอดภัย 3. ที่เรียกว่าโค้งมโดโรใเดิมนั้นให้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าโค้ชัยมงคลเมื่อสําเร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้กลับมาลงพิจารณาตอนบ่ายวันที่สิธันวาคม2 5งพ ก็เลยพักรักษตัวอยู่เป็นเวลาหลายวันนายแพทย์และจากโรงพยาบาลได้เอาใจใส่รักษาและให้ความสะดวกเป็นอย่างดีเช่นพลเรือจักวาสนิทโพสติสณักผู้อเมริกาลงปฐบานได้เอาใจใส่มาทุกวันเวลาเชามืดได้นําอาหารมาถวายเป็นนิตคอยปฏิบัติดแูแลเหมือนกับลูกศิษย์และในระหว่างนี้ก็ได้คิดเขียนหนังสือขึ้นฉบับหนึ่งชื่อว่า คู่มือบรรเทาทุกขเพื่อใจเป็นธรรมทานในการสร้างหนังสือนี้เราก็ไม่ได้รับความลําบากมีลูกศิษย์รับจัดพิมพ์ช่วยสองพเล่มคือคุณนายน้ำไหม่อำนวยสงคราม 1,000 เล่มรอยโถอายุบนยาฤกษ์รักษา 1,000 เล่มรู้สึกว่าการคิดนึกของตนก็ได้เป็นไปตามบุงคนเช่นต้องการเงินงรงร บ, รบํารุงโรงพยาบาลมาถึงวันที่ได้ออกจากรงพยาบาล คือวันที่สิบมกราคม2อ0 3รวมเวลาอยู่ในโรงพยาบาล่วันก็มียอดเงินประมาณชามหม้าบาทสแสดงว่าเราเจ็บเราก็ได้ทำประโยชน์ในื้จจไปจากโรคนี้ก็ยังคิดอยู่ว่าสาเกระเลวมาลที่เหลืออยู่ก็อยากให้เกิดประโยชน์แก่คนที่ยังมีชีวิตอยู่ตวัวอย่างที่เคยเห็นมาเช่นครูบาศีวิชัย ซึชาวเมืองเหนือเคารพนับถือท่านได้ดำริสร้างสะพานข้ามในน้าปิงแต่ยังไม่สําเร็จก็ตาสิโกนต่อจากนั้นได้มีคนเอาศพของท่านไปตั้งไวใ้ใกล้กสะพานทารุศิ์หรือพุทธบริษัทอื่นๆต้องการจะช่วยทําการชำรริกศพท่านก็ขอให้ช่วยกันสร้างสะพานให้สาเร็จสิโกนในที่สุดครูบาสรีวิชัยก็นอนเน่าทําประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้ฉะนั้นชีวิตความเป็นมาของตน ก็ได้คิดมุ่งอยู่อย่างนี้เรื่อยมานับตั้งแต่ได้ออกปฏิบัติในทางวิปัสสนากรรมาฐานมาแต่พศ2469จนถึงพศ2 5 0 2นี้ได้อบรมสังสอนหมู่คณะศาลอสิในจังหวัดต่างๆได้สร้างสำนักให้ความสะดวกแก่พุทธบริษัทจันจังหวัดจันทบุรีมีสีสิบสำนักการสร้างสำนักนี้มีอยู่สองทางคือหง เมื่อดุษิ์ได้ขอร่างสร้างตัวขึ้นยังไม่สมบูรณ์ก็ช่วยไป็นกำลังสนับถนน 2. เมื่อเพื่อนฝูงได้รับริสร้างขึ้นยังไม่สำเร็จบางแห่งก็ขาดระก็ได้ส่งผ่าพที่เป็นสิทธิประยุประจำเปรีไปก็มีบางสํามักครูบาอาจารย์ด้านไปผ่านและสร้างขึ้นมนาจากการโกนก็ได้เดินทางไปเยี่ยมและอบรมมะนะนุขคณะเรื่อยมาจังหวัด น, นี้จังหวัดกาญนบุรีมีสิบเ็แห่งนครราชสีามา มีสำนักปฏิพัติ์สองสามแห่งศิษเกศหนึ่งแห่งสุรินทร์ก็มีเป็นเพื่อกรรมฐานาทาั้งนั้นบุรีราชธานีมีหลายแห่งนครพนมพสกลนกครอุดรราชธานีคอนแก่นเลยชยัยภูมิเพชรบุรีประยาลำลบบุรีชายนาฏตานกคนครสวรรค์บิชโนโลก วัดที่ผานอบรมชั่วคราวไม่มีสำนักสาบุรีมีหนึ่งแหง่งบุตรอดิษฐ์ก็เป็นจุดผ่านไปอบรมดัมปากเชียงรายเช่นหม่นครอนายกนักขอปฐมได้ผ่านไปอบรมชั่วคราวยังไม่มีสำนักรานบุรีได้ผานอบรมยังไม่มีสำนักเพชรบุรีมีพระเนงเพื่อนโภคตั้งสำนักไว้บางประโขได้เริ่มสร้างสำนักที่อำเรอหัวหิน พรมีสํานักอยู่สองสามแห่งสุราษฎร์ธานีผ่านไปอบรมชัวคราวไม่มีสํานักนครศรีธรรมราชก็ผ่านไปอบรมมีสํานักขึ้นกระบลงล้างไป พ, พัทธลงมีสิทธิผ่านไปอบรมยังไม่มีสํานักสงฆามีสํานักที่มีเวกรายแห่งยะลามีสิทธิแต่เริ่มอบรมไว้พื้นและได้เคยไปอบรมสองครั้งระหว่างออกพรราได้สัจรไปเยี่ยมศิษย์เก่า ของครูบาอาจารย์ที่เคยเป็นพักค่นมาแล้วก็ได้ไปอยู่เสมอไม่ได้ขาดบางคราวก็ได้หลบเลี่ไปบำเพ็นประโยชน์ส่วนตัวบางนับตั้งแต่ได้อุปสมบทมาตั้งแต่ปีพศ2468แต่มาสวดยติใหม่เมื่อปีพศ2470จนเดิมแต่นั้นมาปีแรกที่ได้สวดะติแล้วได้อยู่จำพรรศาที่จังหวัดอุบลราชธานีโพบปา มาจากฑานสาวัดสัมพันุพานนครส3มันาในจัมพันสาอยู่ที่เชีงใหม่สองันสาจัมพันาที่จังหวัดนครราชสีมาสรงพันาจังหวัดปราจีนบุรีหนึ่งพันามาสร้างสำนักที่จันบุรีจัมพันาอยู่14ภสี่นอา่จากนั้นไปจัมพันสาที่ประเทศอินเดียหนึ่งพันสากลับจากประเทศอินเดียผ่านประเทศพมาไปจัมพันาที่วัดคนี จังหวัดสงค้าหนาึ่งรรษาจากนั้นได้จบพรรสาที่วัดประดมิวาศสามพรรษาสมเร็จธรรมหาภิรมย์อุวนบารณะภาพแล้วได้ออกไปจำพรรษาอยู่วัดอโศกคา ร, ราี่พรนษาพรรษาที่4นี้รงกับปีพศ2522เวลาที่ได้เขียนประวัติคืนนี้กาลังนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบิ่กวทมปรี